่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งจากเทศอบรมคารวาสณวัดป่าบ้าน ต, าตัดเรื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัครราช ก, กุมารีส่งเข้ากราบนมรส ก, การหลวงตาเมื่อเช้าวันที่9มกราคมพุทธศักราช2553ขออัญเชิญมาให้พี่น้องชาวไทยได้ฟังดังต่อไปนี้ สมเด็จก็จะอยู่หัวกับสมเด็จพระนาเจ้ามระบรราชินีนาถรับสั่งว่าท่านพ่อเป็นเสาหลักของประเทศไทย อ, อ, องค์ทรฝากมากราพราชนาให้ท่านพ่อรักษาสุขภาพเพื่อจะได้เป็นร่มโพร่มใยของประชาชนคนไทยต่อไปเจ้าค่ะ จะิริ่มพอนแล้วนะ